และอันชาแนบด้วยอันชาแนบด้วยเธอกลุ่มออันชาแนบด้วยเธอกลุ่มอันอัครีนแล้ว ا ันจะไม่ มา أحس ัซบ سنة إذا هم إذا هم منها يركضون إذا هم منها يركضون لا ركضوا ورجعوا إلى ما أترفتم <ت ص في ق> إلى ما أترفتم فيه و i س ا ك ن ك م إلى ما أترفتم فيه و م س ك ن ك م ว َمَسَاكِنِكُمْ ل َ ع َ ل َّอُ م ْ تُسْأَلُونَ فما زالت تلك دعوهم حتى جعلناهم ح َ ص د ا خامدين. ลَ قن السماء والأرض وما بينهما لا عيب س م الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن س ئ ا ت أعمالنا ไม่ยั่งยืนแล้วฟ้าล้มสลายแล้วไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรไ ت ا รู้ว่าจะเป็นอย่างไร ب سم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله رب وبالإسلام د ي ن وبمحمد الرسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر สัลลมอาลัยคุณวะรัมาตุลลอฮ์กับบรากาตุ์ี่น้องที่ร่วมนมาตสุภ ห, หรือว่านมาตฟ ajar ที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละพี่น้องต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه ะให้มากๆนะครับเพราะการรำลึกถึงอัลลอ์เนี่ยทำให้หัวใจสงบกุรอาน ที่อัลลอฮ์ส่งเสริมให้เรารำลึกถึงอัลลอฮ์ทำให้ใจสงบก็คืออัลลาบิซิคริลาฮิตาตมาอินนุลกูโจงรู้ไว้เถิดว่าด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นแหละทำให้หัวใจสงบ <c oughs> การทำให้ใจสงบเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าวันนี้คนใจลอยหมดแล้ว คนส่วนใหญ่เนี่ยใจลอยใจเสียนะครับเพราะเหตุการณ์ต่างๆเพราะความชั่วที่เราปฏิบัติเพราะว่าเราละเมิดเราฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอ์ทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่รู้ตัวการระลึกถึงอัลลอ์มีอยู่หนึ่งอ่านคุรานที่เั่งอยู่ในมัสยิดนี้แหละเราก็เอากุรานมาเปิดอ่าน การลดสายตาให้ต่ำลงนั้นเป็นสิ่งที่อิสลามส่งเสริมแต่สิ่งที่อัลลอฮ์สั่งให้จ้องมองนั้นมีอยู่ไม่กี่ประการออกใช้สายตาจ้องมองนะหนึ่งจ้องมองกุรลาบดีมากๆเลยจ้องมองทองฟ้าจ้องมองใบตุลลอจ้องมองน้ําทะเล จองมองสีเขียวๆอย่างต้นไม้พวกนี้ถ้าไม่สายตาดีถ้าไปจ้องมองผู้หญิงต้องอ่านดูอาอะลลอฮุมะอินนีอัลยูบิกะมินฟิชนาตินเนซะวะอาจาบิลกับเเดินขันเดินผ่านกุโบดมองไปในกุโบดมีประโยชน์เยอะพอ ม, มองเสร็จแล้วก็อ่านดูอาอัสสลามุอะลัยคุมอาฮลดิยาร มุนงมั่นจากผิ้ที่ไม่รักีลธรรมผู้ที่ไม่รูักลธรรมผู้ที่ไม่รู้กศีลธรรมผู้ที่ะม่รู้จลมผู้ที่ไม่รูักล่รผู้ที่ไม่รู้จักศลธรรมผู้ที่ไม่รู้จักศีลธรมผู้ที่ไม่รู้จักรมผู้ที่ไม่รู้จักรามี่ไม่ร้กศีลธรรมผู้ท่ไ่รู้ักศีลรมีมรางวัลตอบแทนจากอัลธรามหูุ้ี่ไม่รู้ักลธรรม้ที่ัลลารรมที่ไม่ร้จักลธรราผู้ที่ ความจริงเอาล้อให้เวลาเราเน่ยเยอะแต่เอาเวลาไปทําของชั่วมากกว่าของที่ดีๆขอบคุณนอลล์ที่เรานอนหลับไปเมื่อคืนนี้แล้เวเราก็ตื่นขึ้นมาบางคนได้นมาตหัจยุดอลัลฮัมดุลิลละบางคนก็ตื่นมาก็าดันนามาสุบ ح, อลัลฮัมดุลิลละดีหมดนะครับขอบคุณนอลล์ที่เราได้ทบทวนคุรานวันนี้ปีที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ ยี่สิบวะได้ยี่สิบเอ็ดสุร้อแล้วฮัมดูลิลแล้วก็ถ้าเราเข้าใจแ้วปก็จำหมดได้ความรู้เยอะนะครับวันนี้เรามาถึงสุระอที่ยี่สิบเอ็ดชื่อสูรตุลอัมเบียาอยายะที่สิบเอ็ดนะครับ <c oughs> وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ ق َ ر ي َ ة ٍ ك َ ق َ ر ِ ي َ كَنَتْ ض َ ا ل ِ م َ ة وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آ خ َ ر ِ ي ن َ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرِيَةٍ كَنَتْ َ ا ل ِ م َ ة وأنشأنا بعدها قوما آخرين อัลฮัมดุลิลลาอัลยานี้ให้ความรู้แล้วก็กลัวด้วยถ้อ่านแล้วเข้าใจเนี่ยกลัวนะวะ่ากัมกอซอมนาแปลว่ากรรมแป ล, ล, แปลว่าเท่าไหร่กอซอมนามาจากกอซอมานี่แปลว่าเราให้แตกเป็นชิ้นๆ เราได้ทำลายนะครับว่ากัมกอซ้อมนาและมิ่งกอธิยะตินกานัทวอลีมและตั้งกี่กอริยาแปลว่าเมืองหรือตําบลหรือหมู่บ้านนะครับและตั้งกี่หมู่บ้านมาแล้วกี่เมืองมาแล้วที่ชาวเมืองคนที่อยู่อาศัยในเมืองนั้นนี่นะ ลอลีมะแปลว่าได้ประพฤติผิดได้ทําความอาธรรมได้ทําความชั่วเลาต้องการจะถามว่าเคยสังเกตไหมล่ะตั้งกี่เมืองมาแล้วที่ชาวเมืองเหล่านั้นเนี่ยนะครับที่คนที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นในจังหวัดนั้นไม่บ้านนั้นประเทศนั้นเมืองนั้นได้ประพฤติชั่ว หรือได้ทำความชั่วได้ทำความอาธรรมต่ออัลลอ์เนี่ยนะเราได้ก่อซ่อมนาเราได้ทำลายนะครับในอายะอื่นอธิบายบอกว่าฟักะไอยิมมิงกอริยตินอัลลัคน า, ากี่เมืองมาแล้วกี่ตำบลมาแล้วกี่ประเทศมาแล้วกี่จังหวัดมาแล้วที่เราได้ทำลายผู้คนที่อยู่ในเมืองนั้นทำลายทำไมอ่ะ วะฮิยาลอเรมาตุนเขาเป็นคนอนธรรมเขาเป็นคนชั่วพี่น้องสังเกตดูสิอายานี้ต้องการจะอธิบายในตัปสินอธิบายอิปนุกซินอธิบายอบอกว่าเมืองเยเมนในอดีตนะเมืองเยเมนเนี่ยเมืองเยเมนในเมื่อก่อนนั้นคนชั่วอยู่เยอะมากแล้วอเลาส่งนบีมาบางคนบอกว่าส่งนบีมูซาบินมีชา และอีกคนหนึ่งพูดว่าส่งนบีชูอีฟมาคนจะมีนบีชื่อชูอีฟเนี่ยคนสองคนเอาละอละัลลอฮ์ส่งนบีมาทรงศาสดามาสอนเสร็จแล้วผู้คนเนี่ยได้ฆ่านาบีที่เมืองเยเมนนี่แหละได้ฆ่านาบีของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ส่งมาพอฆ่านาบีเสร็จแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็ส่งอัลลอฮโกรธเนี่ยให้มัยิบรีมัลาอิกาเนี่ย โดยเสียงกำปั้นาดเสียงเสียงเดียวนะเสียงดังๆเสียงเดียวนะคนตายทั้งหมู่บ้านเลยนะครับนี่อลัลลอฮ์เล่าให้เราฟังแต่ความจริงอาญานี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องเมืองเยเมนแต่พูดทั่วๆไปแต่ตทัฟซิดอธิบายว่ายกกรณีตัวอย่างก็คือเมืองเยเมนอดีตเป็นเมืองที่ผู้คนตรงนั้นเป็นคนเลวไม่เอาศาสนาไม่เอารอซูล แถมเมื่อราซูอาลอัลลอฮ์ทรงแต่งตั้งมากับทำลายนาบีเขาไปฆ่านาบีของอลัลลอฮ์แล้วเป็นไงครับเราได้ทำลายให้เสียงมาเลยก้าเนี่ยยิบรีนเพียงเสียงเดียรค่อยๆห้มลงมาเนี่ยหูแตกตายหมดเลยนั้นให้คิดเวลาอ่านอ่านคุรอ่านต้องคิดว่ากรรมกอซ่อมนาะมิ่งกอิยาตินกานัตทรลอมะและกี่เมืองมาแล้ว ที่ชาวเมืองคนที่อยู่อาศัยในตำบล น, นั้นจังหวัดนั่นหมู่บ้านนั่นรอริมะอารรมกับตัวเองหมายถึงทรยศต่อคำสั่งของอัลลอและคำสั่งของรอซูนเราได้ก่อซ่อมนาเราได้ทำลายพวกเขาว่าอันชานะบาดะฮกาวมันอาครีและเราได้ให้หมู่ชนอื่นก้าวมันอาครีแปลว่าหมู่ชนอื่น มาทํำไรนะมาแทนที่หลังจากเขาตายไปแล้วอัลลอฮ์จะส่งมูชนอื่นมาแทนที่ในอยายะอื่นอนะธิบายว่ามูชนที่มาที่หลังนี่นะส่วนใหญ่จะเป็นคนดีๆเหมือนกันนะครับาศาสนาของอัลลอฮ์เนี่มีไว้เพื่อเผยแผ่นะไม่ใช่มีไว้เพื่อเก็บมีไว้เพื่ออะไรนะเพื่อตักลีกด่าว่าให้คนได้รู้จักอัลลอฮ์และเป็นคนดี แต่ใ น, นเมื่อเราไม่ทํางานศาสนาของอัลลอฮ์ไม่กลา้าทักไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงปล่อยให้คนชั่วเต็มไปหมดเนี่ยอัลลอฮ์กจัดชำระไอ้คนที่นั่งเฉยๆนี่แหละแล้วก็เอาส่งคนอื่นมาทําหน้าที่ง า, านศาสนาของอัลลอฮ์แทนเจตั้งการเผยแผ่ศาสนาจําเป็นบอกใครละ่ะบอกตัวเองก่อนเตือนตัวเองก่อนแล้วก็เตือนใครเตือนคนในครอบครัวตัวเอง แล้วก็ญาติพี่น้องคนใกล้ชิดเพราะนก็รพีกุร์อ่านอธิบายพูดเยอะว่านาบีนี่เราจารย์เราส่งมานะมาสอนศาสนาไม่ทำงานอย่างอื่นขนาดนาบีสั่งให้ให้ไรให้ตัดอินทรพลัมให้อะไรอินทรพลัมผสมอินทพลัมนบีอย่าไปทำมาเลยปีนั้นอินทรพลามไม่ออกตายเลยนบีว่าเรื่องอดุญญนยาพวกคุณรู้ดี เรื่องศาสนานะ่ยฟังฉันฉะนั้นในเรื่องดุนยาเนี่ยเป็นน้องคิดเองไปหาความรู้จากซื้อพิมพ์มาดทีวีก็ได้เยอะไปหมดแต่ศาสนาในความฉันในอายาณ์ญญนี้อธิบายต่อไปอีกนะครับเพราะวะ่าตำบล น, นั้นเมืองนั้นที่ที่ผู้คนในเมืองนั้นไม่เอาศาสนาเนี่ยมีอะไรบ้างที่ Allah ทําลายหนึ่งบ้านที่อยู่ของเขาเนี่ยโอ้โหชั้นหนึ่งเลย บางคนเอาสร้างเอาภูเขามาเป็นบ้านะแล้วก็ทำยังสูงไว้ดน้วยนะเจาะภูเขานี่เป็นบ้านเลยในนักอ่านอธิบายอย่างนั้นอีกอายาหนึ่งอธิบายว่าบอ่อน้ำบอ่อน้ำาวบิรุณงูอัปตลาตุนแปลว่าบ่ อ, น, อ, น, บอน้ำานะกี่บอ่อมาแล้วที่ถูกทอดทิ้งไม่มีคนไปใช้น้ำตรงนั้นเลยรวมไปถึง ปราสาทที่พักอาศัยของพวกเขาที่สง่างามพีโออารไม่มีคนอยู่วันนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าคนเหล่านั้นเป็นคนที่ทรยศต่อคำสั่งของอัลลอ์อีกอายาหนึ่งอธิบายบอกว่าประชาชนที่มาก่อนหน้าพวกเราเนี่ยนะเขาเข้มแข็งกว่าเราทางร่างกายนะทางบอดี้เนี่ยแข็งแรงมากเลยแต่ถ้ามาอัลลอ์ให้เขาตายทำไม ไม่ใช่ตายประธรรมดามราจะเจ็บป่วยตายนะทรมานตายถูกลงโทษตายมีบ่อน้ําอยู่บอ่ อ, บอเดียวมีมาตั้งหลายพันปีแล้วคนยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบอ่อน้ำที่ไหนจําดําเห็นไหมนี่เาลาคุยเรงบอร่อน้ํากันนึกบอ่อน้ามีอยู่บอ่อเดียววันนี้คนยิ่งไปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบอ่อน้ําอื่นๆนะคนหายไปหายไปเพราะอะไรครับ คิดต้องคิดอัลลอฮฺลอัลฮัมดุลิลละนั่นเป็นน้องที่ไปอินเดียนะไอ Red Form, Red Force นะ้เรดฟอนเรดฟ่สทำทำไมอะ่ะให้คนอยู่ทั้งหมดแล้ววันนี้มีคนอยู่ไหมไม่มีใครอยู่อะไปไหนกันหมดแล้วคนอะเพราะว่าคนชั่วเราทำลายหมดแล้วใช่ไหมล่ะให้เหลือแต่อะไรนะสลักปักพังให้เห็นว่านี่เป็นร่องรอยของคนในอดีตนี่คนในอดีตไม่เอาศาสนาถูกแบบนี้แหละ อัลฮัมดุลิลละอย่นันมักกะยิ่งเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นบอ่อน้ำํำซาๆคนยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบ่อน้ําที่อื่นหายหมดหายคนละคนละคนละคนเพราะอะไรเพราะคนตรงนั้นเลวแต่ที่มักกะอัลลอฮฺอักบาร์เห็นไมบรารักัดจากคนที่ทําความดีเอ่ยนามอัลลอฮฺไปสู่ยูดไปนามาตรงนั้นไปอ่านก็อ่านตรงนั้นอัลลอฮฺอักบารมีบรารักัดชีวิตเราก็เหมือนกันบ้านเราก็เหมือนกัน ถ้าอยู่แล้วไม่เอาศาสนาเข้าบ้านระวังระวังระวังมันไม่ต่างอะไรกับตึกใหญ่ๆที่ไม่มีคนอยู่วันนี้คนผ่านแวะไปดูสองนาทีกูออกแล้วกลัวกลัวจะถูกอาสาเล่นงานจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะละว่กกมกอซอมนามิงกอรีติกานัลอมากี่เมืองมาแล้ว ซึ่งผู้คนที่อยู่ในเมืองนั้นได้ประพฤติมิชอบหรือได้กระทต่ออัลลอว่าอันชะนาบะไดฮเก้ามันอาคอรีและเราได้ให้มูชนอื่นขึ้นมาแทนที่หลังจากเขาตายไปแล้วไม่รู้ว่าเมืองไทยตรงนี้เป็นที่อยู่ของใครก่อนในอดีตเราก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้นะอัลลอฮาเราไม่รู้แต่ว่าอัลลอเตือนให้คิดนะครับเตือนให้คิดเอาต่อมาอายาที่ สิบสองในะทับเสด็จนาทีบาอีกถูกตัดที่ภาษาอูรดูนะพวกอ่านนะถ้าบอกอย่างนี้พวกพวกบันิอิสรอินได้มาอยู่ที่เมืองปาเลสไต น, น์ในในในอดีต อัลลอฮ์ส่งนบีมูซามาเอาล้ข้ามน้ําข้ามทะเลมามาอยู่ที่บาเลสตายเสร็จแล้วไม่เอ า, าศาสนาอัลลอฮ์ส่งกษัตริย์ที่โหดร้ายคนหนึ่งชื่อบักตินอสรบุคตินอสอรมาทําลายพวกบันิอิสรออีนเห็นไหมผมก็นึกถึงเหมือนกันอเมริกาที่อัลลอฮ์ส่งไปทําลายอิรักเพราะคนอิรักไม่เอ า, าศาสนาหรือเปล่าหรือว่าเอาแบบผิดผิดหรือเปล่าต้องนึกครับ ทำไมอัลลอฮ์ส่งอเมริกาไปทําลายส่งโซเวียตมาอนอนมาเอนีมาเอาละนี่เป็นข้อเตือนใจทั้งหมดนะครับแต่นั้นใครที่อาจทาต่อคําสั่งของอัลลอฮ์นะรอการลงโทษอย่างเดียวนะครับบางทีอัลลอฮ์ก็ลงโทษแบบไรนะให้ยิบรีลงมาเสียงกามาน่าเสียงเดียวตายหมดเลยบางทีก็ให้ใครที่เข้มแข็งกว่านี้มาทําลายอย่างสมัยก่อนก็คือ บุคตินอสอดคนี้มีกาลังวังชามีอาวุธมีทหารเยอะมาทาลายคนที่ไม่เอาศาสนานะครับเอาตัอมาอายาที่สิบสองฟัลัมมัอาฮัสซุบะศนาอิจฮุมินฮะยะรุคุดูนฟัลัมมัอาฮัสซุบะศนา “อิดะฮุม”นันจาัอหรยครูดนอา“อะนี้ต้องกา i จะเตือน น, อนว่า“ถ้า”ถ้าหว่าชคีวามรเรือาษาะรูา“อะนี้ต้าองกว่า่งแวิา“ถา”ถ้าหาก่าใี่มีวิตในอาคะร่ อ, อ, รรอะฟื้นขึ้นมาจากกฤโบแล้วไปอยู่ที่ทุ่งมาชัดแล้ว ฟะละมาอาฮัตซูเมื่อพวกเขารู้สึกว่าอาฮัตสูแปลว่ารู้สึกสัมผัสนะเมื่อพวกเขารู้สึกว่าบะซานาการลงโทษของเราได้เกิดขึ้นแล้วคือเป็นงี้หลังจากที่เราฟื้นคืนชีพเนี่ยนะอลัลลอฮฺก็จะอะไรนะจะใส่ความรู้สึก วันนี้เรามีความรู้สึกดูกันทุกคนเดี๋ยวพอตายครับพอตายพอฟื้นพอฟื้นขึ้นมาอัลลอ์จะใส่ความรู้สึกเหมือนเราอยู่บนโลกดุนยาใบนี้แหละอ้รู้สึกเพราอเห็นว่าการลงโทษของอัลลอฮ์เนี่ยจะพาะคนที่ไม่เอาศาสนานะคนที่ไม่เอาศาสนาคนที่ไม่มีอัลลอ์ไม่มีรอซูลไม่มีกุรานไม่มีนบีมุฮัมมัดอยู่ในหัวใจเนี่ยเพื่น้อง เมื่อพวกเขารู้สึกว่าการลงโทษของของเราของอัลลอ์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วอีลาฮุมมินหายาสุปูดูนพวกเขาจะวิ่งหนีรอการดอดเดียแปลว่าวิ่งหนีแปลว่าวิ่งวิ่งเพื่อเอาตัวรอดจะที่ภาพนี้เราทำให้นึกสออัลลอฮ์สอนให้นึกนะนึกดุนยาด้วย ดุนยาไปนี้เวลาเกิดเซิร์นามิวิ่งไหมวิ่งหรือไม่วิ่งวิ่งแผ่นดินไหววิ่งไหมวิ่งไม่มีคนห้ามวิ่งตามสบายเลยวิ่งเพื่อเอาตัวรอดในวันกิยามากก็เหมือนกันเมื่อตัวเองถูกจะถูกลงโทษเนี่ยอาดาบธรรมชาติจะมาแล้วรู้สึกว่าฉันเนี่ยไม่ปลอดภัยวิ่งเหมือนกันวิ่งบนดุนยากับวิ่งในอาคิราอไม่เหมือนกัน อาทีนี้มาวิ่งในอาร์เคโรมีคนห้ามวิ่งบนดุยยามีคนห้ามไหมเชิญตามสบายวิ่งบนหนก็วิ่งไปเถอะแต่ในวันอาร์เพอวิ่งหนีการลงโทษของอลัลลอ์มีมาลาอิกอะห้ามเอาห้ามดูอายะต่อไปลาตารกุดูอย่าวิ่ง <laughs> ลตาตรกุดูใครห้ามมาลาอิกะห้ามหรือว่าอลัลลอฮ์ให้มาลาอิกะมาเองจะวิ่งไปไหน จะวิ่งไปไหนเคยวิ können, declare, wing, ่งในอดีตใช่ไหมอยู่บุนัญญาเคยวิ่งใช่ไหมที่จะมาวิ่งแบบสมัยก่อนหมดสิทธิแล้วอย่าวิ่งละตากดูละตารูดูอย่าวิ่งแล้วก็พูดเยอะๆอีกว่าเราจอาอิละมาอุริฟตุมฟีว่ามาซากินิคุมลัลลัคุมตุสอลู ลา تركوذ ورجع إلى ما أ ริฟตุมฟีว ر ج ع แปว่าจงกลับ إلى มาอุตรฟตุมฟีไปสู่ความสุขเหมือนชีวิตในโลกดุนยาพูดอย่างนี้คุณจะหนีไปไหนล่ะคุณมานีกลับมานีกลับมานีกลับไปหาความสุข เหมือนในอดีตที่คุณอยู่บนโลกดุนยาต้องการจะสอนอย่างนี้นะครับอาญาณีเนะมื่อท่านพี่น้องได้รับเนีย่ยมัดของอ AH. ัลลอฮ์วันนี้เนี่ยมัดอัลลอฮ์ให้ทุกคนใช่ไหมบางคนให้เป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านบางคนก็ให้พันสองพันหมื่นสองหมื 2, 000, ่นล้านสองแสนล้านสองล้านให้ คุณเอาเงินของของอัลลอ์ที่เป็นเนี่ยอมัที่เป็นริสกีที่อัลลอ์ให้เอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรเงินทองที่มีอยู่นะเอาไปทำอะไรแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ส่วนใหญนะ่เวลาได้เงินได้ทองมาเนี่ยเอาไปใช้อย่างนี้มาอุดริฟตุมฟีเอาไปหาความสุขใส่ตัวใช่ไม่ใช่ได้ริสกีมาเนี่ยคิดอะไรก่อน คิดเรื่องกินก่อนคิดถึงลูกก่อนเมียก่อนเรื่องสกาดไม่คิดกี่คนที่โทรศัพท์มาหาผมเนี่ยอาจารย์ขายที่ได้สิบล้านยี่สิบล้านเนี่ยมีกี่คนที่โทรมาถามว่าจ่ายสกาดเท่าไหร่หลายคนโทรทมาถามว่าอาจารย์เงินขายที่นะ่ะหมดไปแล้วเหลือไม่กี่หมื่นแล้วทำไงอ่ะ ไม่รู้ลืมอัลลอฮ์ให้พี่น้องเห็นได้ยังนี่ฟังจากเสียงประชาชนโทรสอบโทรศพัพท์เข้ามาปรึกษาเราเรื่องจ่ายอากาศให้พี่น้องมีไม่กี่คนหรอกนี่อัลลอฮ์จะถามเนี่ยตอนที่เราได้ประทานรีสกีเนี่ยมาให้กับคุณเนี่ยคุณเอารีสกีของอัลลอฮ์เนี่ยเอาไปทําอะไรถ้าเอารีสกีของอัลลอฮ์เนี่ยอย่างที่นบีมุฮัมมัดบอกท่านอบูบักขันขันขอเรียรายเนี่ย ท่านอบูบักเนี่เอาเงินทั้งหมดมาใช่ไหมมาว่าถามให้นบีให้กองนบีเอาไปหมดเลยนบีถามว่าเหลืออะไรที่บ้านท่านอบูบักบอกว่าเหลืออัลลอฮ์แล้รอสู้เห็นยังนั่นบุคคลตัวอย่างให้มองบุคคลตัวอย่างว่าเขาอยู่กันยังไงแล้วอัลลอฮ์พอใจท่านอบูบักขนาดไหนเอาไซนาอุมารมาอีกฉันมอบให้ครึ่งหนึ่ง นาีถามเหลืออะไรเหลื อ, ล อ, ลอที่บา้านอีกเครื่องหนึ่งนั่นบุคคลตัวอย่างอะ่ะแล้วก็ทุกวันนี้มีคนบริจาคในนามของอลัลลอฮ์มีกี่คนฉันมอบอะไรย่าเอาเหมือนท่านอบูบักเมันเยอะไปหมดเลยอะ่ะเหมือนท่านอบูบักมีไหมไม่มีเหมือนท่านไซนาอุมัดมีไหมก็ไม่ค่อยมีอัลลอฮ์ว่าเอา ล, ออาละแค่สองจุดห้าเปอร์เซ็ก็พอแล้วมีริสกีของอลัลลอฮ์แค่สองจุดห้า บริจาคไปนในทางของ Allah. พอัลลอฮ์พพูดถึงเรื่องสกา ศ, ม, ากาศมีสกาศมีสดอกก็มีฮดียะมีอะไรนะวากัฟมีมิซิรารการถามว่าคนที่มีริสกีของอัลลอฮ์เยอะๆเนี่ยขอบคุณอัลลอ์บ้างหรือเปล่ารวมไปถึงคนที่แต่งงานมีลูกมีลูกทำาักีกอกไหมทำตามซุนนะนาบีไหม มีภรรยานี่ยสอนภรรยาให้มีศาสนาไหมปลูกภรรยาลูกขึ้นน้ำมหมัดไมให้ภรรยาแต่งตัวตามหลักการที่อรรวางไหมเวลาคุณได้รับเนี่ยหมัดอลรรคุณลืมมาร้องหมดใช่หรือไม่ใช่ต้องการจะเตือนตรงนี้ฉะนั้นคุณจะหนีไปไหนอ่ะพอเห็นการลงโทษของอรรเพราะความชั่วที่ตัวเองสร้างเอาไว้เยอะเห็นถ้าจะหนีแล้วก็อินนันิยานีเข้าไม่เข้ามาในมันนี้ ตอนที่คุณเด้รับงไสกีอยู่บนดุนยาเนี่ยคุณได้ช้าจ่ายชีวิตของคุณไปในทางมีความสุขสําราญเนี่ยมาอยู่เหมือนเดิมสิต้องการจะจะบอกว่ามาอยู่เหมือนเดิมมาอยู่นะมาหาความสุขเหมือนเดิมเหมือนคุณก่อนที่คุณจะอยู่บนโลกดุนยาเอาต่อมาวา ม, มาซาคินีกุมมาซาคินแปลว่าอะไรนะคาราฮารภาษาอุดูว่ากัล คาราฮกัสภาษาอุดูภาษาเดียวกันคารกคารปว่าบ้านธรรมดานั่นแหละแต่พอแปลเป็นภาษาไทยละคราฮา์โอ้โหบ้านอรนะทย่นะอ่าบ้านที่ใหญ่โตอลัลอก่จะถามว่าอตอนมีริสกีเป็นรอยลานะ่ะส่วนใหญ่เอาไปสร้างที่อยู่อาศัยใช่หรือไม่ใช่ใชละกาไม่ได้จ่าย คนจนคนด้อยโอกาสคนยากคนจนไม่เคยได้รับบริจาคจากครอบครัวนี้เลยไปสร้างที่อยู่อาศัยอัลลอฮฺถามว่ามาซาคีนิกุมและที่อยู่อาศัยของพวกคุณอันโออารที่มโห์ฮรานที่ยิ่งใหญ่ที่สวยงามราคาปีสิบล้านด0บล้านสีสิบล้านเนี่ยอา้าหนีทําไมละ่ะกลับไปอยู่ในอาคารเก่าของคุณสิมันก็เป็นการเยอ่อเย้ ลัอัลล้กุมตุสอาลูนเพื่อสู่เจ้าจะได้ถูกสอบถามสิ่งที่คุณเกิดขึ้นแก่ทัางในชีวิตดุนยาอย่าเพิ่งหนีไปไหนาหาความสุขใส่ตัวเอาไว้นะเอาวันนี้หนี้ัะอย่าหนีเอาต้องการเตือนพวกเราวันนี้คนที่อ่านอัลกุรอาน อ, อย่าหลงดุนยาอย่าหลงกับความสุขอย่าหาความสุขใส่ตัวจนกระทั่งไม่มีโอกาสได้รูแลบ้านของอัลลอ ไม่ได้ดูแลโรงเรียนศาสนาครูสอนศาสนาเด็กกำพร้ายากจนแม่ไม่เต็ไมไปหมดที่อเลอร์และสงครามเกิดขึ้นทุกวันและผู้ชายตายเป็นส่วนใหญ่และผู้หญิงไม่ตายเราได้รับข้อคิดอะไรบ้างแต่ทำไมอนุญาตให้แต่งงานได้หนึ่งสองสามเพราะอะไรเพราะคนเราในผัวตายหมดแล้วอยู่กับใครอะ่ะในในในอเมริกาในอังกฤษมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเชิญผู้หญิงมาเต็มหมดเลยอะ่ะ มึงจะมุสลิมนะถามว่าผู้หญิงเนี่ยไม่มีสามีเนี่ยหาจะหาทางออกของชีวิตยังไงเวลามีเซ็กส์จะอยู่ยังไงเขเสนอให้สี่ข้อหนึ่งนอนกับกิ๊กสองนอนกับหมาสุนัขสุนัขหนึ่งนอนกับกิ๊กสองนอนกับสุนัขสมนอนกับหุ่นยนต์พอเขาทาหุ่นเหมือนผู้ชายเหมือนเหมือนผู้หญิงเลยแหะ กลับเป็นภรรยาคนที่สองของสามีเลือกเ อ, เอาเอาอันไหนหนึ่งอยู่กับกิก๊กสองนอนกับสุนัข ส, สามนอนกับหุ่นยนต์สี่เป็นภรรยาคนที่สองหรือ ท, ที่สามของสามีทุกคนยอมเป็นภรรยาคนที่สองของสามีอีกสามรายการเนี่ยไม่มีคนเอานอนกับกิ๊กก็ไม่เอาต้องหลบไปหลบมาเครียด น้อนกับหมาก็ไม่สนุกน้องก็หุ่นยนต์ถึงจะทําหุ่นยนต์สวยแบบผู้หญิงหรือบอผู้ชายก็ตามเจอไม่มีใครเอาขอเป็นภรรยาคนที่สองมือที่สามควได้หลักการอะไรหลักการอะไรขันที่สองหรืสามข อ, ของใครของอิสลามครับอิสลามโดยอัตโนมัติทั้งที่มันจะตั้งใจจะรับอิสลามแล้วเฮ้ยนี่มันหลักการอิสลามอ่ะมาได้ไงพี่น้อง ก็มันอัลลอฮ์สร้างอิสลามมเป็นของจริงๆของชีวิตหลักการอิสลามที่อัลลอฮ์ให้มาเป็นเรื่องจริงของชีวิตเช่นเดียวกันเงินที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยเพื่อมาดูแลคนแต่ว่าเดินตามยะฮูดีเดินตามศัตรูของอัลลอฮ์มีเงินไม่ช่วยใครเลยใครสอนเนี่ยพี่น้องส่วนใหญ่เป็นลัทธิทัศนคติก็เรียกว่าเราะความคิดเห็นของคนที่ไม่เอาศาสนา แล้วเราก็เดินตามกลุ่มเขานี่นหมดไปข้าดาวในหมดไปกี่ ก, กี่พันล้านในกทมเนี่ยหมดไปกี่พันล้านกี่ร้อยล้านคืนข้าวดาวอะทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถามว่าได้อะไรบ้างอีมานเพิ่มตรงไหนครับไม่มีอีมานเพิ่มเลยมีแต่อีมานลดหรือเพิ่มลดเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วก็เสียตัวกันเท่าไหร่แล้วเมาไปเท่าไหร่ถูกทาศีนาไปเท่าไหร่ ในคืนเข้าดดาวเพื่อนะนก็ให้เพ็่น้องคิดนะทางตายฟ้ารับพัดนี่ตากันไม่รู้กี่ร้อยแต่กี่ร้อยเมาตายอ่ะนี่เราเป็นมุสลิมที่อ่านกุมภาน์ต้องนึกอลัลลออักุบัดจะให้สังคมเป็นอย่างนี้หรือเรามีส่วนช่วยสังคมนี่พิพินาบหรือเปล่าเราก็ต้องนึกนะครับอ่านเพราะอ่านกุมภาน์สอนให้เราใช้ปัญญานะครับ ลาตรคดูวะรีกูอีลามาอุทริฟตุมฟีวามาซาคีนิกละอัลละกุมตุสอูลมาเลย์กาพูดกับคนที่กับพวกเขาว่าพวกท่านอย่าวิ่งหนีไปไหนสิอยู่เฉยเฉยไม่ได้เลยและจงกลับไปยังสิ่งที่สูญเจ้าได้รับความสําราญแล้วก็กลับไปยังที่พัก ค า, ารอหานออาของสูงเจ้าเพื่อสูเจ้าจะได้ถูกสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกท่านและตัองสิอธิบายว่านะเนี่ยมา ท, ที่อัลลอฮ์ให้หนึ่งเมียเนี่ยมาสองเป็นสูรูดความดีใจสามมาอิชาการเป็นอยู่และที่อยู่อาศัยนั่นนะครับมุสลิมมีได้ไหมได้แต่มีพอประมาณไม่ใช่มีแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ได้ มีภรรยาได้ไหมได้มีลูกได้ไหมได้มีที่อยู่อาศัยได้ไหมได้แล้วก็มีรถได้ไหมได้มีที่ดินได้ไหมได้แต่มีแล้วต้องดึกถึงคนยากคนจนอย่าหาความสุขใส่ตัวเองอย่างเดียวไม่พอนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับกุรานสอนให้เราช่วยคนอื่นนะเอาต่อมาอายาที่สิบสี่ “قالوا ياويلنا إنكنا ظالمين” ن อายะห์ที่สิบสี่นี่เป็นคำสารภาพผิดเป็นคำสารภาพผิด เจนี้สารภาพผิดมันมีอยู่สองโลกวันนี้เราอยู่บนโลกดุนยาถ้าสารภาพผิดบนดุนยานี่ดีไหมเรียกว่าไรเตาบ้าแต่ส่วนใหญ่นะคนเตาบ้าก็เยอะอัลฮัมถ้าฟังศาสนาเยอะๆเะนี่ยนะจะจะจะเตาบ้าตัวหมดแต่บางคนนี่นะที่ไม่เอาศาสนาเลยไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลไม่เอาซุนนะไม่เอานาบีนี่พี่น้องจะไม่เตาบ้าตัวต่อหรอก แล้วไปจะสำนึกตัวตอนไหนได้ไหมในวันอาคิรอนูน่นอ่านี่ไปสำนึกตัวในโลกอาคิร์พวกเขาว่าไงนะก็ลูพวกเขากล่าวว่ายาวัยลานาะโอ้ความหายนะที่เกิดขึ้นแกเราเอ่ ย, <c oughs> ยาวัยลานาะกูชิบหายแล้วพูดภาษาของเราเนี่นะ กูชิบหายแล้วยาวยวยลณานะความวิบัติเกิดขึ้นแก่เราแล้วอินนากุลลอริมีนแท้จริงเราเป็นผู้ประพฤติมิชอบเราเป็นผู้อธรรมอินนากุาลอริมีนเราเป็นผู้อาธรร ม, ร ม, รปรรมไปสาะภาพผิดในทุ่งมาชัดมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์เลย ถ้าสารภาพผิดแบบนี้บนโลกดุนยาสิอาลฮัมด mm ุลิลลา์ยาไวยละนาฉันเนี่ยพินาศแล้วฉันนี่วิบัติแล้วอินานากุนนารอลิเมนเราเป็นผู้อารรมเราเป็นคนชั่วเออถ้ามาสารภาพผิดบนดุนยานี่ก่อนตายเนี่ยวันนี้คนนี้ไปหาโตตะเกยังไปเหมือนเดิมใช่หรือไม่ใช่ คนที่ทําความผิดก็ยังผิดเหมือนเดิมคนที่ด่านบีก็ยังด่านบีเหมือนเดิมคนที่แอนตี้ซุน่านบีก็ยังแอนตี้ซุน่านบีเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะอะไรครับเพราะไม่สํานึกตนเพราะอาลัลลอฮ์ยังไม่ให้เห็นการลงโทษของคนที่ไม่เอาเอัลลอฮ์จะเป็นยังไงไม่เอาซุน่านบีเป็นยังไงคนนี้ไม่เอาคุรานเป็นยังไงไม่เอาอิสลามเป็นยังไงแต่อลัลลอฮ์เล่าหนังกือคุรานให้ฟังแต่ว่าวันละกุรานมาก็ถ้าว่าคนเหล่านั้นเคยสนใจกุรานไปแล้ ถามว่ากุณอา่านเป็นได้นะเป็นนบีพาเป็นนักมายากรบ้างมายกากลบ้างนบีตอนแหลบบ้างนบีโกหกบ้างนบีแต่งกุณอา่านขึ้นมาเองบ้างสารพัดที่ใส่ได้ศาสนาอัลอิลอสลามทีนี้คําว่าลอยมีนี่ย อ, อัลลอฮ์อุลามาอธิบายดีนะหนึ่งคนที่ใจลอยไปสารสารภาพผิดคนที่ใจลยอยอัลลอฮ์นี่เป็นต้องนำมาใจลอยได้รับผลบุญไหม ไม่ได้ขอดูอาใจรอยยกมือขึ้นร บ, บนาตวลลำนาอัมพุสนาวะอินลำตัวฟิ้น ล, ล้วถ้าแปอะไรไม่รู้นั่นก็ใจรอยอ่ะขอดทอาแบบใจรอยนะไปสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์ในวันเกียร์มาทั้งหมดนะ่ะฉะนั้นปรปับปรุงตัวเองนะข้อที่หนึ่งใจรอยนะครับซอดลิมเนี่ยเขาก็คือคนที่ใจรอยคนที่อาธรรมข้อที่สองคนซอดลิมคนที่ไม่ายสะกาด ข้อที่สามคนรอนิมไม่เคยเนี่ยนะไม่เคยขออุดมอาร์ต่อัลลอฮ์ไม่เคยซอราวาดนะบีไม่เคยขออิสติกฟ้าต่ออัลลอฮ์ไม่เคยอ่านกูรอรานไม่เคยลุกขึ้นนมาตหัดหยุดเป็นมุสลิมนี่แหละกุร์านเคยอ่านไหมกูร์านไม่เคยอ่านนี่คําอธิบายในตับซิดตรงนี้ไม่มีแต่ว่าในในเล่มอื่นๆในตับซิดอินโนกซิรมีใบบอวีมี ภาษาอุลดูอนอธิบายเยอะไอเรื่องเรื่องอย่างนี้นอ่อธิบายเยอะมากนั่นคนซอเลี่มก็คือคนที่เป็นมุสลิมนี่แหละแต่ไม่เรียนกูนอาบไม่เรียนสุนนะเนบีนะครับมันไม่เคยลูกขึ้นมาแต่ฮะยุดไม่เคยอ้อขออิสติกฟ้าต่อร้องไม่เคยขอโนาอาต่อร้องแม้แต่ไม่เคยสละวัดนบีก็มีเยอะแยะไปหมดเลยสละ ว, รรวัดนบีให้ว่าอย่างงี้ไม่ใช่สละลลออัลลอฮ์มูฮัมหมัดไม่ใช่ Allahu um l all al a ala m u h a m a d wa Alihi wa s b i h i wa sallam. a l l l u ร้อยครั้งนี่ถ้าว่าน่ะอ่านดูอาสละวะอับเียเยอะทําให้สมองดีน่ะถ้าไม่คิดอะไรออกหมดเลยลองลองเลยลองลองลองเราฝึกฝึกตัวเองนะให้สลวบียเยอะๆ l l a l a m u h a m a d wa Alihi wa s, all um s al a l l a m วันร้อยครั้ง200อครั้ง นอนนอนไปหลับอ่ะขอดูอาไปใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราเป็นคนซอเลมเป็นคนอาธรรมอาธรรมกับตัวเองอาธรรมต่อคำสั่งของอัลลอสุบฮานาูวานอาลวคนซอเลมก็คือคนที่นึกแต่โลกดุนยาไม่ได้นึกถึงโลกอาคิรออ้าวนึกโลกดุนยาเยอะๆกับนึกอาคิรอ่่น้อยๆเนะ่ยเป็นยังไงนบีสอนอย่างนี้ ใครที่ห่วงดุนยามากกว่าห่วงโลกอาคราเรออัลลอจะบรรจุความกลัวอลัลลอฮฺจะบรรจุความกลัวลงไปในหัวใจของคนที่รักโลกดุนยามากกว่าโลกอาคีรอเราไม่กลัวอะไรกลัวตายสองกลัวจนกลัวหมดจะบริจาก็ไม่กล้าเนี่ยจะแต่งงานไม่กล้าแต่งงานโอ้โรับผิดชอบอีกคนนึงไหวเหรอดูโอ้เอา อยู่อย่างนี้ดีกว่ากินแบบบุฟเฟ่สบายดีใช่ไหมบักรับปีชอบกลัวหมดนะฉะนั้นคนที่หลงดุญยารักดุ ญ, ญายาอัลลอจะเพิ่มความกลัวตรงกันข้ามถ้าใครที่นึกอาคิรราะเยอะๆเนะี่ยโลกอาคิรราะเนี่ยนึกถึงภาพตอนวิ่งไอ้วิ่งวิ่งศีนวิ่งหนีเซนามิกับวิ่งเห็นอาซาบล้วต้องนึก ท่านคนที่นึกถึงโลกอาคีรอดนึกถึงการลงโทษในอาคีรอดเยอะๆเนี่ยรู้ไหมอัลลอฮฺจะให้หัวใจของเขาอิ่มออประหลอดเวลาเรื่องกลัวไม่มีแล้วอัลลอฮฺจะเอาดุลยานี่นะคลานมาให้เขาดุลยาจะคลานมาให้เขามาถึงเท่าว่าเอาเทคอิดเยิบหน่อยเอาหน่อยแล้วนม่อยากจะได้เชิเชิญเชิญยิบหน่อยยิบหน่อยยิบหน่อยยิบหน่อยเข้าใจนะคนที่ หัวใจของเขาผูกพันกับโลกอาคริล็ออัลลอฮ์จะเอาดุญยาเนี่ยมาเสนอให้เขานะทั้งที่ตัวเองไม่อยากจะวะฮิยารอซิมาตุนในภาษาหะดิษนะครับตัวอย่างเยอะทายกแล้วตัวหาว่ามีปัญหามายกมายกคิดเองก็แล้วกันนะครับตัวลงว่ากอลูยาไวยลานาอินนากุนนาโอลิมีนพวกเขาไปอะไรนะไปสารภาพผิดในโลกอาคริ ในโลกอาคีร์ร้องไม่สามารถอำนวยประโยชน์อันใดให้แก่เขาได้เลยอายาเนี้ต้องการจะเตือนนะถ้าสำนึกผิดในโลกดุนยาดีไหมอัลลอฮ์ดีมากๆเลยนะครับพี่น้องเอาต่อมาอายาที่สิบห้าฟะมาลละลัดติลกะดะวาฮุมฮัตตาจัลนาฮุมฮัลิดันขามิดี تِلْكَ د َมท <asthma> ้าท ه ُ م ْ حَتَّى หَ ع ห ل ْ ن َ ا ه ُ م ْ ح َ ص ِ ي د ًด خ َค م ม د ดี ن َอ้ยานี้ต้องการอธิบายว่าไอ้พูดคำนี้เนี่ยนะพูดคำไหนนะยา إ ว ن َّ ا ك อ ن َّ ا ظَالِمِينَ แปลว่าอะไรนะ และเสียงดังอันนี้ของพวกเขาดังไปเรื่อยๆด่ว่าหุมเน่เสียงเสียงว่านี่แหละเสียงว่าไงนะยาไวลานาอินนากุนาริมินฉันพินาตแล้วฉันเป็นคนอาธรรมเนี่ยพูดกี่วันพูดกี่ชั่วโมงพูดกี่นาทีพ er. ูดไปตลอดเลยอยู่ดีๆก็โอ้โอแย่กี่นาทีไม ejemplo, Actually, ่ใช่หนึ่งนาที <Sh> ไม่รู้ว่ากี่ปีกี่ร้อยปีกี่พันปีก็ได้เนี่ยมาซาลัดแปลว่าเขาคงที่จะส่งเสียงดังและเสียงดังอันนี้ของพวกเขาดังไปเรื่อยๆมาซาลัดติลกะดาวาฮุมคาอะไรนะคําเรียกร้องของเขาเสียงดังอันนี้ของพวกเขานั่นดังไปเรื่อยๆพูดทุกวันเลยบนทุกวันเลยแล้วก็ร้องทุกวันเลยว่าไงนะ ยาไวยลานาอินนากุณนาลอลิมีเห็นยังครับนี่เป็นโทษชนิดหนึ่งนี่เป็นโทษชนิดหนึ่งนะครับอยู่ในทุกมาสชัทมุมินไม่มีปัญหากับคนที่มีาศาสนาไม่มีปัญหาภาษานี่ไม่ออกจากปากคนที่มีาศาสนาแต่จะออกจากปากคนที่ไม่เอ า, าศาสนาคนที่ดูถูกสุนนานาบีดูกูดูถูกกุรานดูถูกฮะดีษ ดูถูกนบีพี่น้องจะพูดคำนี้แหละファม า, าลラติ ل กาดาวฮุมยาไวลนานอินานากุนลอริมีฉันพินาศแล้วฉันเป็นคนอาธรรมแล้วพูดทุกวันไม่มีวันหยุดอ่นานต่อไปอีกฮัตตาเจลนาฮุมฮัสิดันคามิดีนแล้วเราก็ได้ทำลายพวกเขาเหมือนพืชที่ถูกเก็บ เกียวเหมือนก็ะสังอนะ่ะแล้วก็ทำลายไอ้คนที่พูดนี่นะจะไม่ตายนะทำลายแล้วก็ยังบนได้อีกอ่ะยไวล่น ะ, ะนอินานากุนนลีมีนี่ภาษาเนี่ยเภาษาดีนะภาษาตำหนิตัวเองภาษาสารภาพผิดถ้าเอามาใชา้บนลนดุยานี่ดีไหมขอรอชันแย่แล้วพอแย่จะมีคนมาช่วยนะ ฉันนี่โงจ่งจริงๆนมาตามสุนายยังไม่เป็นเลยนมาตามสุนายนยังไม่เป็นเลยนี่อาบน้นำนมาตามสุนายยังไม่เป็นเลยเออถ้าบนอย่างนี้จะมีคนมาช่วยอ่ะนั้นรับสารภาพผิดบนดุญยานี่ดีกว่านะอ้าวไปบนใช่นี่เอาเราเตือนแต่บนทุกคนน่ะคนไม่เอาศาสนาบนหมด นอนอยูน่นกบโบกระบนอาญาตยนนังมีอว่ารูบามายา ว, วัดดุลลาดีนกฟารุลาวกานูมุสลิมีนแปล่าไงนะมะั้ยบ่อยครั้งเหลือเกินคนที่นอนอยู่ในสุสานโอ้โหถ้าฉันเป็นมุสลิมก่อนตายก็จะดีแต่ไม่มีใครรู้นะ่ะบ่นอยู่คนเดียวอะ่ะแต่พอฟื้นขึ้นมาบ่นต่ออีกยาววยลานาอินานากุนกอลิมินฉันแย่แล้วฉันวิบัติแล้ว แท้จริงฉันเป็นคนอาธรรมอันนั้นแล้วอาญาอื่นมีอธิบายอีกถ้าเป็นดินดีกว่านี่มาเป็นคนะอ้หะหพอเป็นคนเรามีปัญหาอยากจะเป็นดินพอเป็นดินบรรจบอัละฮะดูเลยลอัลลอถ้าอ่านคุรานอธิบายกุรานมันโยงกันไปหมดเลยนะนะเอาละเอาสรุป ตัวว่าสารภาพผิดบนดุนยานี่นะนครับเอาต่อมาอายที่สิบว่มาขอลักนัสส์มายว่า الأرض ว่มาเบนหูมาเลอีบินว่มาขอลักนัสส์มายว่า الأرض ว่มาเบนหูมาเลอีบิน อัลลอฮฺอายาณีดีมากพี่น้องและเราม่ได้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินและที่อยู่ในระหว่างทั้งสองลายบีนอย่างเล่นเล่นอัลลอฮฺไม่ได้สร้างชั้นฟ้ามาและแผ่นดินมาและอยู่ในระหว่างทั้งสองเนี่ยนะลายบีนแปลว่าอย่างเล่นเล่นอย่างเล่นเล่นอธิบายอย่างนี้โดยไม่มีจุดหมาย อ่าแต่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนเอลัลลอฮ์สร้างอะไรนะสร้างแผ่นดินมามีเป้าหมายที่ชัดเจนให้มนุษย์ได้ใช้ปัญญาอ่าแล้วก็สร้างชั้นฟ้ามาก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนกันในฮะดีษอธิบายอย่างนี้หลายคนไม่ได้คิดนะแผ่นดินเนี่ยรองให้ แล้วทองฟ้านี่ฟ้านี่ก็ร้องไง่ายตอนไหนตอนมุมินตายตอนอุละมะตายเป็นคนดีๆตายคนซอลีฮินตายมีคนอยู่สกลุ่มนะที่แผ่นดินร้องหนึ่งนบีตายบรรดาบรร น, นบีเสียชีวิตแผ่นดินร้องชันฟ้าก็าร้องแล้วก็สิ้ดีกินพอร้องพอตายพับแผ่นดินร้องทองฟ้าร้องแล้วก็คุณชูฮะดาคนที่ตายช شهيد ทั้งหมดแผ่นดินร้องชันฟ้าร้อง แล้วก็โซลิหีินคนดีๆทั้งหมดเนี่ยแผ่นดินรองกุรอ่านตรงไหนครับพัดิษอธิบายบอกว่ามามินมุมินอิลลาวะลหูบาบานชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยมีประตูอยู่สองบานบานหนึ่งยสยสอาดมินหูอามลุหูประตูที่อยู่บนพื้นดินนี่นะเอาไว้ส่งผลงานของเขาขึ้นไปหาอัลลอฮ ประตูบ้านหนึ่งจากแผ่นดินนะพอนามาดปับ๊บพลบุญก็ขึ้นมาเลยกาพาขึ้นไปประตูของเราเองที่เอาล็อตจัดเอาไว้พอส่งขึ้นไปประตูบนชั้นฟ้าริสกีก็จะลงมารามา ก, ก็จะลงมาหาเราบ้านหนึ่งอยู่บนแผ่นดินอีกบ้านหนึ่งอยู่บนชั้นฟ้าของไข่ของมันเอาล็อจัดเอาไว้พอเราตายภาพอามันหยุดใช่ไหมพออามันหยุดงานไม่มีอ่ะ แผ่นดินว่าเอเสียใจไม่มีอํามันขึ้นเลยเพราะคนนี้ตายแล้วบทท้องฟ้าเคยให้รีสกีมาก็หยุดเหมือนกันก็เสียใจก็ร้องไงแต่คนกาเฟตตายนะฟามาบักัตอะไรฮิมุซามาอูวัลอาร์ตแผ่นดินจะไม่ร้องให้กับคนกาเฟตที่ตายแผ่นดินไม่ร้องไห้ชั้นฟ้าไม่ร้องให้เพราะอะไเพราะคนเหล่านี้ทรยศต่อคําสัง่งมันอยู่ประตูก็ไม่มี ความดีไม่เคยขึ้นเลยวรกคตจากฟ้าฟ้ามหาคนกาเฟตก็ไม่มีเพราะว่ามันจะทําทความดีอัลลอฮฺอัอลลอฮฺพอใจเลยชั้นแผ่นดินจะไม่รองให้นี่เป็นข้อเตือนว่าคนที่เป็นมุสลิมที่อ่านกุณอ่านต้องนึกนะครับว่าอลัลลอฮฺสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินนั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนผมอ่านในภาษาอูรดูภูษ mm hmm. าอูรดูได้อธิบายดีมากนะว่าโดยเฉพาะชั้นชั้นฟ้าก่อนนะ ชั้นฟ้ามีทั้งหมดในสามสิบรายการอเป็ น, นต้องฟังกันแล้วกันหนึ่งอัลลอฮฺเป็นเจ้าของแห่งชั้นฟ้านี่เป็นโนเลจเป็นความรู้ทั้งหมดสองชั้นฟ้าอัลลอฮฺสร้างมาเป็นห่วงห่วงเป็นชั้นชั้นเนี่ยเจ็ดชั้นมันนะ่ะสร้างมาเล่นเล่นกันนั่นอย่างพิชัยปัญญาอัลลอฮฺสร้างชั้นฟ้ามาเจ็ดชั้นนะไอดวงดาวที่เราเห็นเห็นอยู่นี่มันโลกของโลกของดุนยาจะนั้นเอง ไอ้ที่สูงกว่ายังเข้าไปไม่ถึงนี่สร้างมาเล่นๆน่ะข้อที่สามอัลลอฮ์ให้น้าฝนตกลงมาจากฟากฟ้าข้อที่สี่อัลกุรอานอัลลอฮ์เนี่ยยกท้องฟ้าให้สูงทำไมให้ท้องฟ้าตา่ำๆไม่ได้นะยกให้สูงให้ให้คิดให้มนุษย์คิดข้อที่ข้อที่ห้ามีสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในชั้นฟ้า อ้าวอะไรสิ่งมีชีวิตนชั้นฟ้ารู้ไหมอะไรอะไรรู้ั้มคนเหรอไม่ใช่อะไรมันอะไรอีกครับทัาลาดขึ้นโอ้ต่อมาข้อที่หกชั้นฟ้าจะทลายลงมาบนคนชั่วนี่ฟ้าจะถล่มลงมาทำลายคนชั่วเหมือนกันฟ้ารองมาทำลายคนได้คนชั่ว เมื่อสาปีที่แล้วเนี่ยหนังสืกษพิมพ์มติชนเนี่ยลงข่าวพวกนก็ตัดเก็บเอาไว้น่ะฟ้าพาตายทีเดียวสามคนหนังสืกษพิมพ์อธิบายว่ามันมีสายล่อฟ้าอยู่อ๋อสายล่อฟ้าเป็นพวกสเตนเลดเลดต่างๆที่อยู่ที่มือบ้างที่คอบ้างอะ่ะวันนี้มันสายล่อฟ้าทั้งหมดอ่ะฟ้าก็เปียงลงมาตายแล้วภูเราวันนี้มีสายล่อฟ้าเต็ไมไปหมดเลยนะ่ะ ทำบาปอะ่ะทำดินาทำชีริกทำบิดานี่มันสายรอฟ้าทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะเล่นงานเมื่อไรก็ได้อะ่ะต้องนึกที่อัลลอ์มีชั้นฟ้าเราต้องได้ประโยชน์จากการมีทองฟ้าด้วยว่าเออเราเนี่ยอยู่ยังไงวันนี้เอาต่อมาครับข้อที่เจ็ดทองฟ้าจะถูกเปิดและเลิกออกในวันกีม่มาเราจะสวยกต่คงจะไม่มีเวลามองหรอกนะ เนี่ยเราเล่าให้ฟังข้อที่เก้าเมืองมีเครื่องยังชีพบริสกีลงมาจากฟ้าฟ้าเต็มไปหมดเลยพี่น้องสังเกตนะอัลลอฮฺอักบารนี่นะอัลลอฮฺสร้างชั้นฟ้าอย่างเดียวนะแผ่นดินยังไม่ได้พูดข้อที่10ให้พิจารณาการสร้างชั้นฟ้าของอัลลอฮฺข้อที่สิบอชั้นฟ้านี่นะจะกลิ้งเข้ามาอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮฺในวันเตียมะ ชั้นฟ้าใหญ่จะกลิ้งเข้ามาอยู่ในมือของอัลลอ์เนี่ยในประหารของอัลลอฮ์แสดงว่าท้องฟ้าเนี่ยมันใหญ่เยอะต่่ากลิ้งมาอยู่ในประหารของอัลลอฮ์ได้นะเอาต่อมาครับวะฮีนะ่ลงมาจากไหนลงมาจากชั้นฟ้าข้อที่ส3บสาท้องฟ้าเนี่ยมันจะลั่นคลืนเสียงดังกระหึ่มเนี่ยอย่างฟาโร่เนี่ย เราคิดตรงนี้บ้างรือเปล่าอ่านดูอ้าหรือเปล่าสุบฮานละดียุซับิหุรอดูบิฮามดิวัลมาลาอิกะตูมินคาอิฟตีนี่ถ้าไม่มีทองฟ้านะทองฟ้าไม่ได้ไม่ดำขึ้นนะดูอ้างก็ไม่ได้อ่านเพราะนั้นทั้งหมดนะมีข้อเตือนใจทั้งหมดข้อที่สิบสี่ทองฟ้าจะละาลายเป็นทองแดงในวันเกียย ม, มานะ่ะ ข้อที่สิบห้าฟีโรนจะต่อบันไดขึ้นบนชั้นฟ้านี่ฟาโร น, นี่ไม่เบานะ่ะจะขึ้นไปดูหน้าอัลลอฮ์อ่ะพระเจ้าของมูซารนะ์นเป็นยังไงจะขอขอดูหน้าหนะ่อยดูมันคิดถึง ค, คิดได้ยังไงเนี่ยงั้นะนะ่ะข้อที่สิบกมีเชือกต่อเชือกขึ้นไปบนชั้นฟ้าแต่คุรานนี่นะอลัลลอฮ์คำพีคุรานนี่นะเป็นเชือกนะ อัลลอฮ์จับเชือกอยู่ข้างบน น, น้นอยู่ต้นต้นเชือกและปลายเชือกอยู่ที่เราท่านใครที่อ่านกุล อ, อ่านจับกุลอ่านเท่าก็ถือเชือกเส้นเดียวกันกับใครนะกับอัลลอฮ์สุภาณอัลลอฮ์อยู่บนชฟ้า Allah อัลลอฮ์อักบันยิ่งใหญ่น่าดูเลยครับฟ้ามีประตูเอานึกดิประตูแบบนี้หรือเปล่าวันราาับอัลลอฮ์แต่วันในบีตอนขึ้นเมียรอดเนี่ยยิบรินเคาะประตู โมเลก้าถามว่าพาใครมาบอกเบี่ยงมอแมเปิดเลยเพราะอัลลอฮฺสั่งไว้แล้วถ้ามอแมัดมาแล้วเปิดนะประตูมีแบบนั้นวันรอกาแล้วไม่รู้ข้อที่สิบแปดนกจะบินกลางชั้นฟ้าได้ข้อคิดอะไรบินนกมันบินอยู่กลางชั้นฟ้าแล้วมีอยู่สองสองท่าสังเกตนะถ้าการปีกกับท่าหูปีกได้ข้อคิดอะไรจากมนุษย์ พวกฝรั่งเอาไปใช้หมดแล้วไปทำเครื่องบินนะ่ะไม่ใช่แอร์เอเชียที่ตกนั้นไม่ใช่นะไปทำเครื่องบินหาเงินได้รีสกีเต็มไปหมดแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะนกพวกเราก็เหมือนกันเวลาพูดถึงนกนะต้องนึกแบบนกเวลาหารีสกีของอัลลอฮ์นกมีรังแล้วมันออกไปหาออฟฟิศของมันมีออฟฟิศบ้านนกไม่มีเรากลับมาตอนเย็นนะอิมอ่มไหมอิม่มมันตะวักกันต่ออัลลอฮ์ และเราล่ะทะเลาะกันในเรื่องวสกีก้ก่อนเราอลอนนกดีกว่านะทำดูลิล่ะเอาต่อมาครับข้อที่สิบเก้าหายใจอึดอัดเมื่อขึ้นไปอยู่ในชั้นฟ้าอ่ะขาดอกษษ อ, อกซิเจนอลอนบอกไว้ขึ้นไปบนชั้นฟ้าเนี่ยอึดอัอออดอลอนขึ้นไปสิต้องพาออกซิเจนไปคนไปเหยียบบนดวงจันทร์ก็จะมีถุงออกซิเจนอ่ะเอาใครไปสร้างไปสร้าง บ้านอยู่ในสวนสวรรค์ไอเดนบูนชันฟ้านะ่ะต้องพาออกซิเจนไปด้วยแพ้งจะตายไปข้อที่ยี่สิบไม่มีสิ่งใดในชั้นฟ้าเป็นความลับต่ออลัลลอฮ์ใครไปทําบาปบนชันฟ้าเนี่าอาลัลลอฮ์ไม่รู้นะไม่มีความลับนะครับต่ออลัลลอฮ์บนชานฟ้าข้อที่ยี่สิบเอ็ดไม่มีผู้ใดในชา้นฟ้าหนีรอดไปได้วกว้างกันนานนี้นะยังหนีไม่รอดเลยนะ ข้อที่21่สิเลลอฮ์ทรงสร้างชานฟ้าให้มีดวงดาวให้มีดาวเนี่ยเป็นประดับทองฟ้าเอาไว้ให้มองแล้วสวยประทับดยเองแมีคนมองกี่คนไปเข้าดาวกันหมดย2บสออลลอ์ 22, ให้สายฟ้าฟาดพาบนคนคนชั่วให้สายฟ้าเนี่ยมันฟาดลงมาบนคนชั่วคนไม่เอ า, าศาสนาข้อที่ ยีชั้นฟ้าสรรเสริญอัลลอฮ์ชั้นฟ้าสรรเสริญอัลลอฮ์ถามว่าต้องการอะไรว่าชั้นเนี่ยสร้างชั้นฟ้ามาเล่นๆกันนั้นหรือนี่ต้องการจะอธิบายว่าชั้นฟ้าสรรเสริญอัลลอฮ์แล้วก็คุณสรรเสริญอัลลอฮ์เปล่าข้อที่24ถ้าให้ถ้าให้ออกถ้าให้ออกนอกชั้นฟ้าไปดูสิอ้าถ้าเก่งออกชั้นฟ้าไปสิออกนอกชั้นฟ้าไปเลยเอ้าอัลลอฮ์ทา ก็ไม่มีใครทำได้25อัลลอฮ์เป็นเจ้าของชานฟ้า26บัลลังก์ของอัลลอ์กว้างเท่ากับชานฟ้าแล้วก็แผ่นดิ น, นข้อคิดอะไรบัลลังกนะ์อัลลอ์น่ะใหญ่เท่ากับกว้างใหญ่กับชานเท่ากับชานฟ้าและแผ่นดินข้อที่27สสวนสวรรค์ ที่เราจะเราจะเข้าไปอยู่นี่นะกว้างเท่ากระชันฟ้าและกระแผ่นดินด้วยโอัลลอฮ์ที่กว้างมากนะตวสวรรค์น่ะไม่ต้องไปหัวมว่ากลัวจะที่จะจะเต็มนะไม่ตั้งเต็มนรกก็ไม่เต็มนะใครมีความผิดก็เชิญเข้านรกเอาต่อมาขอ้อที่ยี่สิบแปดนบีอิบรอฮีมนะอัลลอฮ์ให้ทัวชันฟ้าแล้วใช่ไม่ใช่อิบราฮิมขึ้นไปดูชันฟ้านบีมุฮัมมัดก็ขึ้นไปดูชันฟ้ามาแล้ว ทาอะไรนะนั่งอะไรไปนะบุรอกนบีสอนอย่างนี้ถ้าฉันจะเยี่ยมคนฉันจะขี่ลาเดินตามหมู่บ้านถ้าฉันจะเดินทางไกลฉันขี่ม้าขยายมากไปทําสงครามเนี่ยจะขีม่ม้าจะเดินทางไกลจะขี่อูดถ้าจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ไปรับนมาตขียย่อะไรบุรอกนี่นบี ชั้นหนึ่งมากค้นตามทันไม่ทันอยู่แล้วทำลยู่ดีแล้วอา้าข้อที่ยี่เก้าชั้นฟ้าและแผ่นดินเมื่อก่อนนี้อยู่รวมกันแผ่นดินกับชั้นฟ้าเนี่ยมันอยู่รวมกันเป็นสโมกเป็นดูคอนเป็นไร น, นะเป็นควันอยู่แล้วก็ควันตักนาวูมาอาลัลลอฮฺได้แยกชั้นฟ้าออกและแผ่นดินออกสร้างอะไรก่อนสร้างชั้นฟ้าก่อนแผ่นดินที่หลังนี่อลัลลอฮฺสร้างมาเล่นๆเลยฉะนั้นอย่าคิดว่าอาลัลลอฮฺสร้างแผ่นดินมามันใหญ่ที่สุด เป็นมรคลูกที่ใหญ่ที่สุดแผ่นดินกระชั้นฟ้าในใหญ่สุดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ใหญ่สุดฉันสร้างมาเล่นเล่นกันนั้นหรือพี่น้องไม่ได้ประโยชน์จากชั้นฟ้าเลยหรือข้อสุดท้ายนะบีมุฮัมมัดขึ้นเมรอดชั้นฟ้าเหมือนกันใช่อะไรนะบูรอกขึ้นเนี่ยเป็นของเล่ น, เ ล, นเล่นกันนั่นเดี๋นี่เตือนเราอ่านกลอหาให้นึกจากนั้น ว่มาคลักนั่งสมาวัลอาร์ดว่มาใบหน้าหุ่ละอิบินเราไม่ได้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินและที่อยู่ในระหว่างทั้งสองนั้นอย่างเล่นๆหมายถึงมีจุดหมายที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนหนึ่งอย่างที่พออธิบายไปก่นแต่มนี่สามสิบข้อนี่พี่น้องนั่นแหละเป้าหมายมันอยู่ตรงนั้นเราได้รับความรู้อะไรบ้างจากชั้นฟ้า Subhanallahumma k a wa bihamdi k a suwala i l a h a illa anda Astaghfirullahu bi u lailah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.